ครั้งนี้คร 20 ตุลาคม 2550 เราจะมาฟังกันในเรื่องของพระพุทธธรรม 12 ค่ะคู่มือการเรียนใน พระพิธัมม์นั้นเราเรียนกันในเรื่องของความรู้ที่ เนื้อหาในเรื่องของพระพิธัมทั้งหมดกล่าวถึงปรมัตถ์ธรรม 13 ความ ปรมัตถธรรมที่เป็นความจริงมีความหมายที่เป็นความหมายที่อะไรบ้างคะที่เป็นความจริงโลกนี้เป็นความ ก็ยังมีลักษณะซึ่งธรรมชาตินั้นได้แก่เฉพาะตนอยู่ ดังนั้นเราจะต้องศึกษาว่านั้นเราจะต้องศึกษาว่าหมวดของปลมัสธรรมนั้นอนาคตนะ พื้นฐานในเรื่องของจิตเจตสิกรูปนิพพานเนี่ยจะเป็นประโยชน์ที่เรียกว่าหา ปัญญายังไม่สามารถที่จะมองให้เห็นสิ่งที่เปิด จากพ้นไปนะคะพ้นไปจากไหนพ้น นะคะ. 13 นะคะคะมาจิตค่ะจิตคืออะไรจิต เราเคยได้อันนั้นเกิดขึ้นแบบนี้มั้ยคะว่าเอ๊ะเวลาเป็นเพราะว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็มีจิตเกิดขึ้น ภาวะแบบเนี้ยค่ะเค้าเรียกว่าเป็นสภาวะที่หรือว่าโสตประสาทของ คำตอบก็คือว่าไม่ได้รับเสียงนั้นแล้วอะไรเพราะว่า อารมณ์ดีถ้าเป็นแบบดีๆหน่อยเค้าอาจจะแบบว่าอารมณ์ๆที่สามารถที่จะอย 6 อย่างคือรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็สิ่ง รับกระทบความเย็นความความไหวความอ่อนความแข็งความไหวความหย่อนความตึงสิ่งเหล่านี้ภาษาแบบนี้แล้วสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่อง สิ่งที่กระทบที่กายนั้นด้วยนี่คืออารมณ์ที่ 5 ส่วนอารมณ์ที่ 6 นั้นหมายถึงสิ่งที่เรานึกคิดเนี่ยค่ะนึกๆรุงแต่งไปนะคะบางครั้งเห็น ในเรื่องเหล่าเนี้ยค่ะเค้าเรียกว่าธัมมารมคือเรื่องราวต่างๆที่ มโนวิญญาณธาตุแล้วก็บางครั้งก็เรียกว่าอามนายตนะแล้ว ถ้าเราก็หมายถึงจิตนั่นเองเห็นอยู่วิญญาณก็เกิดขึ้นที่ตาคือเจตสิกสระเอจจาน มีสะกดเค้าเรียกว่าปวิสัญชณีไว้ที่ที่ด้วยเจตสิกหมายถึงธรรมชาติที่มาประกอบกับจิตมาปรุงแต่งจิตนะ 121 แก้วนะคะเรา ถามว่าน้ําในแก้วนั้นเนี่ยสีอะไรก็คงตอบได้ว่าเป็นสีเช่นดอก แต่บุคคล 2 บุคคลเห็นดอกไม้เหมือนกันแต่ความๆทั้งที่ดีบ้างไม่ๆที่เคยผ่านมาใน คิดนึกเรื่องราวไปต่างกันนึกเรื่องราวไปต่างกันที่ต่างกันแก้ววางไว้ 121 แก้วเรา 1 7 เรา น้ำในแก้วที่ 1 ถึงแก้วที่ 7 นั้นว่าเป็นน้ำอะไรคะคํา 8 ถึง 20 เราจะเรียก 8 ถึงแก้ว 20 นั้นว่าเป็นแก้วที่ ต้นกําเนิดเดิมของจิตเปรียบเหมือนน้ําแต่เมื่อมีเจตสิกธรรมเข้า 1 7 เรียกแก้วที่ 8 ถึงแก้วที่ 20 เรียก เจตสิกธรรมฝ่ายอกุศลเมื่อเข้าปรุงแต่งจิตก็เรียกว่าอกุศลจิตเจเจเจ 52 ลักษณะด้วย หน้าที่ของเขาก็คือเกิดขึ้นร่วมกันกับจิตแล้วก็เกิดไปพร้อมๆกับจิตเนี่ยค่ะดับพร้อมกัน เพราะฉะนั้นเข้าผสมผสานเป็นเนื้อเดียวกันแทบ 1 เพถึง 7 ที่เราผสมโดยการใส่สีแดงลงศึกษาแล้ว มีทั้งน้ําและมีทั้งเกิดพร้อมกันกับจิตดับพร้อมกันกับจิตรู้อารมณ์เดียวกันกับจิตผสมลง แต่ในขณะที่จิตมีการโกรธก็ตามมีความโลภก็ตามก็เป็นเพราะต่างๆวันนึงวันนึงเดี๋ยว ถ้าเป็นเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับ จิตถ้าจิตไม่เป็นกุศลนั้นไม่สามารถที่จะเป็นกุศลได้เพียงฝ่ายเดียวถ้าเรา เป็นสภาพของความกระสับกระส่ายดูแล้วก็อยากจะดูอีกไม่เคยอิ่มกับการรับรู้อารมณ์ของการขวนขวายให้ได้เป แล้วจิตนั้น 14 ถ้าจะเปรียบเหมือนเม็ด จิตที่เกิดโดยไม่มีเจตสิกประกอบเนี่ยเป็น ดังนั้นในบางครั้งเนี่ยนะคะที่เราจะพูดถึงเรื่อง อ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติธรรมหรือว่าเวลาที่ การระลึกรู้สึกตัวทั่วพร้อมนั้นเพียงประโยคเท่านี้ จนสามารถนํามาปฏิบัติได้ให้เกิดผลได้กับตนเองนะคะเพราะ ท่านผู้ฟังก็ดูต่อไปในหน้าที่ 14 เรื่องรูปค่ะรูปคืออะไรรูปหมายถึงธรรมชาติที่แตกดับย่อยยับสลายไปด้วยความเย็นและความร้อนอะไรรูปที่มีรูปมาประชุมกันถึงธรรมชาติที่แตกดับให้ อ้าวรูปคืออะไรเรารู้จักรูปมั้ยรูปคืออะไรเช่นรูปก็คือนี่ไง เราก็เลยต้องมาศึกษาศัพท์ค่ะว่ารูปคืออะไรรูปมีจํานวนเท่าไหร่ในลักษณะของชีวิตที่มี สามารถที่จะสลายไปได้ด้วยความ 28 ชนิดในตัว 28 ชนิดด้วยกันด้วยกันชนิดใหญ่ๆมีอยู่ 4 ตารางก็ สิ่งที่เป็นดินน้ำไฟลมนั่นแหละที่มาประชุมกันเป็น แล้วในรูปกตาต่างๆประชุมกันอยู่อีกนะคะอย่างเช่นประสาทเส้นประสาทในลูกตาตรงนี้แต่ ในดินน้ำไฟลมนั้นก็ยังมีเส้นประสาทเกิดขึ้นเส้นประสาทตรงนี้นะคือโสตประสาธะอัน แล้วก็สามารถที่จะแตกดับรูปเหล่านั้นก็มีการแตกดับย่อย การ 4 ประการด้วยกันอธิบายย่อๆไว้ก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปเรียน เขาเรียกว่าทดแทนกันอยู่เสมอในจนคลายคลาย ความเป็นรูปเป็นล่างเป็นก้อนเป็นแท่งของ รูปกายที่เราได้มานี้เราได้มาโดยเหตุใกล้ก็คือมีคุณพ่อๆแล้วเป็นเนื่องมาจากกรรมที่ ในตามของกลุ่มชนในยุคสมัยของกลุ่มชนใดที่ รูปสรีระที่ได้มาก็เป็นรูปสรีระที่ได้มาเนื่องจาก เราคงได้ยินๆหรือมักจะอ่านหนังสือเจอนะคะว่าพระนิพพานเรามาศึกษาคําศัพท์คํานี้นะคะว่าพระนิพพานลักษณะ ลักษณะแรกคือสะอุปาติเสสนิพพานท่านลองสะกดดูนะ 5 อย่างเช่นอย 5 หมายถึง แต่ขันธ์ 5 ยังมีการเป็นไปอยู่เกิดดับ ขันธ์ 5 ก็ไม่มีก็คือเรียกว่าอีกศัพท์นึงเรียกว่าปรินิพพานปรินะคะปปารเรือสระอิปริปริตัวนี้หมายถึงทั้งหมดปริแปลว่า นิพพานได้ศัพท์ว่าปรินิพพานหมายถึงจิตเจตสิกและรูปหยุดนะคะหยุดการสืบ ถ้าเราเป็นชาวพุทธนะคะเป็นพุทธศาสนิกชนก็ต้องพยายามให้เข้าใจถึงให้เข้าใจถึงจุดมุ่ง